การแกล้งฝืนอดกลั้นเป็นเพียงแรงกดดันให้อ่อนแอกว่าเดิมไม่ว่าคนเข้มแข็งหรือคนอ่อนแอก็อาจเจ็บปวดกับคำด่าทอได้ทั้งคู่ผูกใจเจ็บคิดอาฆาตแค้นได้ทั้งคู่แต่จะมีเพียงคนเข้มแข็งพอที่สามารถอภัยให้คนอื่นได้เพราะคนเข้มแข็งเท่านั้นที่มีกําลังมากพอจะทำเรื่องยากได้สำเร็จ คนเข้มแข็งเท่านั้นที่มีกำลังมากพอจะแก้ปมผูกใจที่แน่นหนาคนเข้มแข็งเท่านั้นที่มีกำลังมากพอจะหลุดพ้นจากหลุมดาแห่งความเกลียดความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากการแกล้งฝืนอดกลั้นแท้ที่จริงแล้วการแกล้งฝืนอดกลั้นเป็นเพียงแรงกดดันให้อ่อนแอกว่าเดิมความเข้มแข็ง เกิดจากการฝึกทําจิตให้สว่างขึ้นด้วยวิธีคิดเข้าข้างสว่างขณะรู้ตัวว่าใจเริ่มคิดเข้าข้างมืดด้วยวิธีพูดเข้าข้างสว่างขณะรู้ตัวว่าปากเริ่มพูดเข้าข้างมืดด้วยวิธีเคลื่อนไหวเข้าข้างสว่างขณะรู้ตัวว่ามือไม้เริ่มขยับเข้าข้างมืดเริ่มจากการสร้างคำพูดดีๆขึ้นมาในท่ามกลางคาพูดร้าย ไม่ใช่ด้วยเจตนาเสแสร้งเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าแสนดีแต่ด้วยเจตนาให้ตนเองเห็นว่าจิตถอนจากหลุมดาขึ้นสู่แสงขาวได้เพียงเพราะการเลือกคำพูดที่ไม่ต้องทำร้ายจิตใจใครพูดคำไหนแล้วใจตัวเองเบาลงคิดถึงคำไหนแล้วความฟุ้งซ่านปันป่นป่วนลดลงคำนั้นแหละที่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งขึ้นในจิตได้ ด้วยเจตนาจะดูความจริงทางจิตของตนรู้เฉพาะตนในแต่ละครั้งคุณจะเห็นความเข้มแข็งที่พอกพูนขึ้นคุณจะรู้ตัวว่าเข้มแข็งขึ้นจริงหลังจากผ่านเดือนผ่านปีเมื่อใดเห็นตัวเองพูดดีได้โดยไม่ต้องรอใครพูดดีก่อนหรือเมื่อใดเห็นตัวเองพูดดีได้ทั้งที่มีใครพูดร้ายใส่เมื่อนั้นคุณจะรู้สึกถึงวิธีคิดที่แตกต่างไป ไม่ใช่แกล้งแต่เรียนออกมาจากน้ำใสใจจริงไม่มีสิ่งใดปลอมปนและน้ำใสใจจริงเท่านั้นที่มีคุณภาพพอจะจำใสเป็นสมาธิหากไม่สร้างความเข้มแข็งแนวโน้มคือยิ่งใช้ชีวิตคุณจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆวันต่อวันเพราะโลกเต็มไปด้วยคนมีเหตุผลทางปากคอแต่ไรเหตุผลทางความคิดคุณจะถูกกดดันให้ด่าตอบ หรือถูกกดดันให้ทำร้ายตอบกระทั่งอ่อนแนขนาดขัดเคืองได้หมดผูกใจเจ็บได้หมดอาฆาตแค้นได้หมดเกลียดชังได้หมดแม้จะไม่ได้ถูกใครทำให้เจ็บชำ้ำก็เหมือนอยู่ดีๆเจ็บช้ำได้จากความคิดของตนเอง